เรีนเช่นหลวงพ่อก็ไม่ทราว่าจะพูดอะไรต่อเพอาะ่หลวงพ่ออธิบายละเอียดแล้วเมื่อกี้ทนีนี้หลวง<ล>พ่อก็จะเล่าความโง่เขาของหลวงพ่อเนาะก่อนที่จะมาปฏิบัติธรรมคือตอนนั้นก็เป็นคนทั่วไปนั่นแหละเหมือนกับพวกพวกเรานี่แหลยนะก็คือเกิดมาก็คือไม่รู้เรื่องหรอกก็อยู่กันแบบเออหาความสุขใส่ตัวคืออยู่กันแบบหาสิ่งที่พอใจแล้วก็ถูกใจแล้วก็มีความสุขแล้วแล้วก็มีอยู่ช่วงหนึ่งพอดีพาน้องชายเขาบวชก่อนเนาะตอนนั้นเขาเขาบวชแล้ว ทีนี้เราก็สงสัยสิบอกว่าเอ้านี่ถ้าบวชแล้วเนี่ยถ้าบวชแล้วแล้วก็ปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเราเนี่ยจะไม่แก่จะไม่เจ็บแล้วก็จะไม่ตายใช่ไหม <S <S คือนี่เราถามเรื่องความเป็นบุคคลเลยความเป็นตัวตนเลยเนาะเพราะเราไม่รู้นี่เลยถามว่าอ้าถ้าปฏิบัติธรรมแล้วเข้าใจธรรมะเนี่ยเราเนี่ยอายุยั่งยืนเป็นหมื่นหมื่นปีเป็นกี่ล้านปีคือไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคือหลวงพ่อเข้าใจอย่างนั้นไง นั่นหมายความว่าหลวงพ่อนี่แบบโง่สุดๆเลยคือไม่รู้เรื่องเลยแต่ทีนี้แต่แต่พานน้องชายก็ไม่ได้เฉลยนะว่าคืออะไรเนาะเพราะว่าท่านก็คงยังไม่รู้เหมือนกันแหละทีพอเราศึกษาธรรมะเรามาเรียนธรรมะเนี่ยแล้วก็จนเข้าใจอย่างที่หลวงพ่อเล่าเมื่อสักครู่เนี่ยว่าจริงๆอ่ะที่เกิดมาเนี่ยมันเป็นแค่สังขารเกิดมาแล้วก็สังขาร น, นี้ก็ดับไปสังขารมันก็เป็นธรรมะใช่ไหมเออมันก็ไม่ใช่เรา พอรู้ว่ามันไม่ใช่เราแค่นี้ก็เลยเข้าใจเรื่องความว่าเราไม่ได้เกิดมาแล้วเราก็ไม่ได้แก่เราก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายเพราะว่ามันไม่มีเราไงแล้วใครจะแก่แล้วใครจะเจ็บแล้วใครจะตายอ่าพอเข้าใจตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยถ้ากิดว่าชัดเจนแล้วก็เรียกว่ามีความชัดเจนแล้วถ้าเข้าใจถูกแบบนี้แต่ทีนี้ที่เหลือภาคปฏิบัติก็คือว่าเวลามันประสบกับอะไรเนี่ยตรงเนี้ยต้องเอาปัญญามาใช้เช่น ประสบเวลามันเจ็บป่วยจริงๆเนี่ยเอาปัญญามาใช้อย่างไงก็ปัญญาจากที่เข้าใจเนี่ยมาใช้ก็คือพิจารณาว่าไอ้ความเจ็บเนี่ยอ๋อมันมีอยู่จริงแต่ก่อนเจ็บมันก็ไม่มีเจ็บหรืออาจจะมีก็เพียงเล็กน้อยแต่ตอนเนี้ยมันเจ็บมันมีดีกรีมากขึ้นก็เห็นความแปรเปลี่ยนของมันแล้วก็เอาปัญญาที่เข้าใจเนี่ยก็ประโยนิโสมนสิการคือทําความเข้าใจว่าอ๋อทุกข์คืออย่างนี้ทุกข์คืออย่างนี้ เห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่ามันรู้ทุกอย่างถึงใจเลยนะทุกมันคืออย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าบอกทุกคืออย่างนี้ทุกคืออย่างนี้จิตในอายุอเดยสัตว์ข้อหนึ่งคือทุกต้องกําหนดรู้คือรู้มีทุกขเกิดขึ้นก็คือรู้โอ้เนี่ยกําลังรู้อยู่ไงกําลังรู้อยู่นี่โอ้นี่เรากําลังเดินตามที่พระพุธทธเจ้า ท, ท่านสอนว่าทุกขคืออย่างนี้อ๋อพบทุกแล้วรู้จักทุกแล้ว แล้วท่านบอกให้รู้อ๋อนี่กําลังรู้อยู่กําลังรู้อยู่ก็ลเลยทําเป็นแล้วทําเป็นแล้วได้ทํากิจตามที่ท่านสอนแล้วทําเป็นแล้วเออเพราะฉะนั้นรู้ทุกแล้วสุดท้ายแล้วเอาทุกนี้มันก็เปลี่ยนเนาะจากเจ็บมากก็เป็นเจ็บน้อยแล้วก็หายเนี่ยประสบการณ์ของชีวิตเราเนี่ยที่ป่วยแล้วก็หายเนี่ยมันก็คือเรื่องพวกเนี้ยเพราะฉะนั้นมันป่วยทีมันไม่สบายทีก็รู้แล้วรู้แลว้วรู้แล้วแล้วก็เดี๋ยวมันก็ดับเองมันไม่ดับก็ช่างหัวมันแต่กฎของมันมันต้องดับอยู่แล้วมันก็หมดไป จะใช้จะเร็วก็แล้วแต่แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้ามีทุก์รู้จักทุ ก, ก็คือรู้แล้วรู้แล้วเห็นไหมทุกต้องกำหนดรู้ส่วนอื่นๆนอีกก็เหมือนกันในความอยากได้ความอยากมีอยากเป็นอันนี้ก็เป็นสังขาร น, นะเช่นความความทุกข์ป่วยนะป่วยเกิดขึ้นแล้วก็มันหลงไปมันเหมือนกับว่าอยากจะให้หายเร็วเ็วนึกขึ้นได้ว่านี่อยากให้หายอีกแล้วเจอแล้ว ก็กําหนดรู้อีกว่าอ๋อนี่คือตัณหาไอ้ความอยากแล้วก็ก็คือพอรู้ว่าอยากใช่ไหมก็เลยหยุดดิเพราะถ้าอยากต่อไปมันอาจจะหายก็ได้ไม่หายก็ได้เพราะฉะนั้นก็แค่รู้เฉยๆพอไม่ต้องอยากเห็นไหมกลับมาที่รู้เฉยๆอีกกลับมาที่รู้นั่นแหละ เ, ออเพราะฉะนั้นพอกลับมาที่รู้เสร็จแล้วความอยากก็หายไปพอความอยากหายไปมันก็ไม่ริ้นรนมันก็ไม่ไม่ต้องผิดหวังอะไรอ่าเพราะว่ากําลัง ร, ร, รู้อยู่เนาะเออ ทีนี้พอมันเกิดมาอีกอยากอีกแล้วรู้ทันก็รู้ทันอีกเสร็จแล้วก็วางมันลงแล้วก็ไปรู้ทุกข์อีกรู้ทุกข์ก็คือทุกข์เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นก็คือแค่รู้ทุกข์เพราะฉะนั้นจริงๆอ่ะคือทุกข์ต้องกําหนดรู้ก็คือรู้เรื่อยไปนั่นแหละแค่รู้แค่รู้แค่รู้ไม่ต้องไปอยากถึงอยากมันก็ไม่ตอบสนองให้หายตามใจอยากเนาะเออก็ก็แค่รู้อย่างอากาศหนาวตอนเนี้ยอากาศหนาวมันก็เป็นสังขารเนาะกระทบกายเป็นความรู้สึกไม่สบายอ่าก็รู้แล้วว่ามันไม่สบายความไม่สบายก็คือสังขาร หรือว่าที่มันกําลังแสดงความทุกข์อยู่ก็รู้ว่ามันหนาวไม่ต้องไปยากให้หายหนาวถึงยากให้หายหนาวนะมันไม่เชื่อหรอกแล้วมันไม่ไม่ตอบสนองด้วยมันไม่รับรู้ว่าเราอยากมันหนาวก็หนาวเพราะฉะนั้นก็คือแค่รู้ว่าหนาวนะเพราะฉะนั้นหลักการเนี่ยของมันเนี่ยคือคือแค่รู้แค่นั้นแหละมันก็จบทุกเรื่องนะแค่รู้แค่รู้เออมันก็จบทุกเรื่องเพราะว่าขณะที่รู้เนี่ยมันก็ละความอยากละปัญหาละกิเลสละอะไรหมดเลย แล้วรู้นี่แหละที่เขาเรียกว่าเป็นวิชาแต่ถ้าไม่รู้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอาวิชาเพราะฉะนั้นเนี่ยให้รู้เร็วรู้ทันรู้รู้เวลามันมีปัญหาน่ะก็คือรู้ไอ้ที่ไม่มีปัญหาก็รู้ว่าไม่มีปัญหามีปัญหาก็รู้รู้ลูกเดียวยมรู้ลูกเดียวรู้แต่พึ้นแต่พื้นอากาบนมัสการหลวงพ่อค่ะพอดีหนูหนูหนูได้ฟังหลวงพ่อมาหลายที่แล้วคือทีเนี้ยคือถ้าเกิด ส่ว่าเกิดเกิดอสภาวะขึ้นมาแล้วเรารู้อย่าเงี้ยค่ะรู้รู้แล้วก็เอคิดเอก็คือแบบมันเป็นสังขารสังขารสังขารอย่าเงี่ยค่ะแต่คือยังมีเรารู้อยู่อะคะ่ะหนูจะทําไงดีคะ อ, อ๋อยังรู้สึกว่าเรารู้ใช่ไหมรู้สึกไะทำอ่างไรใช่ค่ะหนูไม่รู้จะทำ ไ, ไง ค, ความรู้สึกคืออะไรก็คือสังขารมันหนีไม่พ้นไปจากสังขารเพราะฉะนั้นเมื่อสังขารเกิดขึ้นแล้วเนี่ย เช่นมันเกิดความรู้สึกว่าก้อนเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเป็นเราไงตรงนี้แหละก็คือให้รู้ว่าไอความรู้สึกนี้มันก็เป็นสังขารแล้วมันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวอีกหน่อยครับตอนอนหลับมันก็ไม่มีแล้วว่าเป็นเราหรือว่าทํานู่นทํานี่เพลินๆเอ้าความรู้สึกว่าเป็นเรามันก็ไม่มีนี่แสดงว่ามันดับไปแล้วเพราะฉะนั้นความรู้สึกก็เป็นของไม่เที่ยงแล้วความรู้สึกเนี่ยมันก็หลอกไงถ้าคนไม่ได้เรียนธรรมะเนาะมันหลอกว่าก็มีเราจริงๆ แต่ตอนนี้หลอกไม่ได้แล้วเพราะเรารู้ทันเจ้าแล้วเจ้าเป็นแค่สังขารแล้วก็เกิดดับนเพราะฉะนั้นมาหลอกทีงว่ารู้สึกว่าเป็นเราก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะเราไม่มีไงต่อให้มันหลอกว่าเนี่ยยังมีเราแต่ด้วยปัญญารู้ว่าเราไม่มีมีแต่สังขารเท่านั้นเพรา ะ, ะนั้นไอ้ตัวหลอกนั่นแหละคือตัวสังขารใช่เองก็เลยรู้เจ้าแล้วเจ้าจะทาอะไรไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะรู้ทันแล้วรู้ทันแล้ว นะคื อ, อตอนที่ตอนที่ทําอะค่ะก็ยังเออสงสัยค่ะว่าโ อ, อ้ตอนนี้เราก็ยังรู้อยู่ อ, อ๋อเราก็ต้องคิดว่าตรงที่เรารู้นี่ก็คือสังขารเพราะจริงๆไงที่รู้น่ะมันไม่ใช่เรารู้อยู่แล้วเพราะว่ามันมีแต่ธรรมชาติรู้เนาะแต่มันเป็นความรู้สึกว่าเรารู้ไงคือมันเหมือนก <นะ S 2> ับว่ามันเคยเคยยึดนะเคยยึดไอไอเคยยึดไอธรรมชาติรู้เนี่ยว่าเป็นเรา มันยึดโอ้มันยึดมากเลยนะไ อ, ไอเรื่องรู้เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของของจิตเลยเป็นนามธรรมเลยถ้าไม่รู้มเมื่อไหร่มันกับตายกันเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นมันยึดรู้เนี่ยว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราเป็นเราแต่ความจริงเราไม่มีมีแต่รู้ที่เป็นธรรมชาติออันนี้คือให้เข้าใจจากการฟังไว้ก่อนอนะเพราะว่าต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยมันก็จะได้พิจารณาพิจารณาในสิ่งที่เกิดนั้นแล้วก็จะทําให้เข้าใจมากขึ้น นั้นตรงเนี้ยจากที่หลวงพ่อคุยให้ฟังก็คือทําความเข้าใจให้ถูกก่อนมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่ทําความเข้าใจจากการได้ยินเนี่ยให้ถูกว่าเออมันไม่มีเรามีแต่สังขาร น, นะมีแต่สังขารเท่านั้นมีแต่สังขารเท่านั้นที่อย่างนี้คือตรงเนี้ยมันเป็นความละเอียดนะบางทีไ อ, เอ้เรื่องเรื่องความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราเนี่ยแต่ว่ามันมันต้องอาศัยประสบการณ์นิดหนึงหรือว่ามีการระยาณมิตรคอยชี้บอกคอยสกิปอยู่ เนี่ยในเนี้ยมีญาติโยมมีโยมเนี่ยที่เขาเคยติดอารมณ์บางทีเขาดิ้นรนดิ้นรนไม่ออกเพื่อที่จะให้หลุดจากตัวเรามันเป็นความรู้สึกว่าเป็นเราเป็นเราเป็นเราทําไมเมื่อก่อนเคยเห็นว่าไม่ใช่เราแต่ตอนนี้ทําไมมันเป็นเราแล้วก็ดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นเราก็เลยคุยไปคุยมาบอกว่าอ้าวแล้วใครดิ้นอ่ะก็บอกว่าเราอดิ้นเออให้เห็นเราหน่ยังเราพูดดิ้นอ่ะพูดแค่เนี้ยหลุดเลยหลุดเลยเพราะเห็นในตัวเราที่มันมันเป็นดิ้นอ่ะดิ้นที่จะให้เห็นตัวเราอ่ะ แล้วก็พอชี้บอกปั๊บ ก, ก็เห็นไอ้ตัวดินดิไอ้ตัวดิ้นมันเป็นสังขารแค่นี้โอ้โหหายจ้อยเลยไอ้ความเป็นตัวตนความเป็นตัวเราหายหมดเลยเพราะมันรู้ถูกต้องไงรู้ว่าไอ้ที่ดิ้นอ่ะโอมันคือสังขารแต่ถ้าไม่รู้ว่าตัวดิ้นเนาะมันก็เป็นเราเลยเพราะว่าเราดิ้นแต่ไม่รู้ตัวเองมันก็เป็นเราแต่ถ้ารู้ว่าไอ้ตัวดิ้นอ่ะอ๋อมันคือสังขารแค่นี้ความเป็นตัวเราก็หายไป โอ้ตรงนี้ต้องอาศัยการระยานนิมิตรช่วยเลยนะช่วงต้นๆเนี่ยการาการรู้ตัวเรานะให้หลวงพ่อจากประสบการณ์นะที่ทําให้รู้จักรู้ตัวเราได้คือเราต้องรู้จักคือต้องมีสิ่งเปรียบเทียบเช่นสมมติว่าตอนเนี้ยสมมติโยมรู้ตัวไม่เป็นเนาะโยมก็งงว่ารู้ตัวรู้ยังไงนะอันนี้เป็ น, เ ป, นเป็นอุบายวิธีอาจจะไม่ใช่ตายตัวเป็นเฉพาะบุคคลเฉพาะตัวแต่ว่าเอามาแชร์ประสบการณ์ คืออาสมวะเนี่ยเีระหว่างคุยเนาอ ะ, อะโยมก็คุยกับหลวงพ่อใช่ไหมก็แปลว่ามีหลวงพ่อคนคนหนึ่งเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่มีอยู่ซึ่งไม่รู้อยู่ตรงไหนแต่ในความหมายในใจคือว่ามีแหละหลวงพ่อเนี่ยพ่อเนี่ยเสียงมีพูดอยู่แสดงว่ามีหลวงพ่ออันเนี้เท่ากับว่าเราเนี่ยเห็นหลวงพ่อใช่ไหมมันเห็นทางทางจิตเห็นทางมโนเออ <คะ S 2> เห็นเราเป็นคนเห็นหลวงพ่อทีนี้พอมาอีกทีหนึ่งเอ้าแล้วเราพูดเห็นหลวงพ่อเนี่ยมันอยู่ที่ไหนล่ะไอคนนั้นน่ะ ก็ปรากฏว่าอยู่ที่บ้านตอนนี้อาจจะกําลังนั่งหรือกําลังเดินกําลังอะไรกันแล้วแต่ตรงเนี้ยมันก็เกิดมีการเห็นตัวเราขึ้นมาไม่ตอกหมาเห็นตัวเราถ้าถ้าให้เห็นตัวเราจะรู้ได้ไงว่าเรากับหลวงพ่อมันอยู่คนละที่อ่ะเนาะนี่แสดงว่าอ๋อไอตัวเราคือคนนี้ไอตัวเราคือไม่ใช่หลวงพ่อแต่ตัวเราเนี่ยคนที่กําลังพูดโทรศัพท์เนี่ยเท่ากับว่ามีตัวเห็นตัวเราแล้วมีธรรมชาติที่เห็นตัวเรา ถ้าจับทางตรงนี้ได้ปั๊บโอมันมีผู้รู้เรานี่วะถ้าไม่มีผู้รู้เราจะรู้ได้ไงว่าเราอยู่ตรงนี้หลวงพ่ออยู่ตรงนู้นหนูหนูเข้าใจแล้วคะ <c oughs> ่ะเซตหน่อยเซตหน่อยหนูหนูเข้าใจคะ่ะคือหนูหนูขออนุ ญ, ญาตทวนความเข้าใจก็คือว่าถ้าสมมติว่าเราเห็นแล้วว่าเอออันนี้คือสังขารสังขารก็คือเหมือนเราเรามีสติรู้รู้ว่าเอออันนี้ก็คือสังขารก็ก็แค่นั้นก็แค่นั้นเออเออใช่ใช่คือมันเป็นแค่นั้นเอง คือสิ่งถูกเห็นทั้งหมดอะเป็นสังขารหมดเลยอ่ะคตัวหลวงพ่อที่มันเห็นด้วยในใจใช่ไหมเห็นด้วยเขาเรียกว่ามันมโนอะเนาะมันมโนว่าเออเป็นหลวงพ่อเป็นพระนี่ต้องหอมจีวรอย่างนั้นอะเนี่ยมันเกิดการเห็นขึ้นมางเห็นในนิมิตอะเออเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตมันปรุงแต่งขึ้นมาไอตัวไอตัวปรุงแต่งที่เป็นหลวงพ่อเนี่ยจริงๆยมไม่เคยเห็นหลวงพ่อก็ได้แต่มันสร้างขึ้นมาไงว่าต้องเป็นอย่างนั้นแต่จริงอะมันปรุงเขาเรียกว่ามันปรุงไอเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารเหมือนกัน อ่าแล้วก็ถูกเห็นเนาะถูกเห็นได้นี่เออถูกเห็นว่าอ๋อมีเป็นเป็นรูปพันสันฐานอย่างนั้นนะมันอาจจะไม่เห็นไม่ถูกต้องหรอกแต่อย่างน้อยก็คือเห็นว่าไอ้สิ่งนั้นเน่ยปรากฏขึ้นมีเออปรากฏปรากฏอยู่แล้วก็ไอ้ตัวเห็นเนี่ยมันก็เห็นว่าอ๋อเนี่ยหลวงพ่อเป็นอย่างนั้นแล้ยวกัะเดียวกันมันย้อนกลับมาที่ตัวเองไงอ๋อไอ้ตัวเราอยู่นี่ตัวหลวงพ่ออยู่นู่นเนี่ยอย่างเนี้ยถ้ากลับรู้ตัวเราแล้ว S <S แล้วก็จะเข้าใจไอ้ตัวเห็นเลยว่ามหมายถึงว่าจะเข้าใจไอ้ตัวรู้เลยว่าโอ้ไอ้ตัวรู้นี่นะถึงแม้ว่าเรามองมันเราไม่เห็นมันแต่มันเห็นเราไง<อ>มันเห็นเราต่อไปเนี่ยพอเห็นอย่างเนี้ยเวลาเราเดินเรานั่งมันเห็นเราหมดเลยนะเ น, นี่ยตนีโยมลองเดินดูดิมันเห็นเลยว่ายมเดินอยู่อ่ ะ, <ฮ>ะมันเห็นด้วยใจนะไม่ใช่ได้เห็นด้วยตาเนาะค่ะเออเออคุณเจษฎาลงเยอะแล้วเดินตามที่หลวงพ่อพูดสิครับเดินก้มก้เงยเลยขยับขยับขยับมันรู้เลยนะเนี่ยที่มา อย่างไจุดเริ่มต้นของการรู้ตัวต้องเริ่มให้ให้เข้าใจแบบนี้ก่อนว่าการรู้ตัวคือรู้แบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาตัวเรามารู้แต่มันมีมันมีธรรมชาติรู้อ่ะที่มารู้ตัวเราเอแล้วมันก็จะชัดขึ้นเนี่ยถ้าสมมติได้ต้นทางแบบนี้นะโยมก็ซ้อมไงซ้อมอาจจะนึกถึงใครก็ได้นึกถึงใครเอาพอนึกถึงใครปั๊บรู้จักอีกคนนึงแล้วก็มันก็รู้จักตัวเราทีเนี้ย ก็นึกถึงคนนั้นเอ้ามันก็นึกถึงตัวเองเอ้ามันก็รู้จักตัวเราอย่างเงี้ยก็ทําให้ชานานชำนาเนี่หลวงพ่อใช้เที่ยเคียงแบบเนี้ยถึงทําให้รู้จักตัวขึ้นมาว่าเออรู้ตัวเราคือรู้แบบนี้เมื่อก่อนเนี่ยมันมันมันทําไม่เป็นมันเอาตัวเรามารู้ตัวเราไงเวลาเดินก็รู้ว่าตัวเราเดินแล้วเราก็เป็นผู้รู้ว่าตัวเราเดินเอ้าตกลงมันมีตัวเราสองตัวตัวตัวที่หนึ่งตัวเดินไอ้ตัวที่สองคือตัวรู้ว่าเดินเอ้าเฮ้ยทำไมตัวเรามีสองตัว พอเป็นอย่างนี้มันเข้าก็บอกว่าไอตัวเรามีตัวเดียวก็คือไอตัวตัวที่ถูกเห็นเนี่ยนะถูกรู้เนี่ยเนี่ยส่วนไอตัวที่เห็นเราไอตัวเนี้ยมันไม่ใช่ตัวเราอยู่แล้วเพราะว่าไม่รู้มันอยู่ไหนไอทําก็ได้ว่าเออเข้าใจยังไงเออเพื่อให้คนอื่นได้ได้อธิบายถูกข้อฟังครับว่าถุกไหมครับก็ลองก็คือก็คือสมมติว่าตอนนี้หนูนั่งอ่ะค่ะหนูนั่งก็ก็คือเหมือนรู้รู้ตัวรู้ตัวว่าตัเองเนี่ยนั่งอยู่เงนี้ยค่ะอ อ่าตั้งอยู่แต่คือตัวที่ที่หนูที่นั่งเนี้ยก็คือตัวที่ถูกรู้ว่าเอนั่งอยู่เนีะคะแล้วก็เห็นตัวเองเห็นไหมมันมันมันจะเห็นแบบรวมๆนะมันไม่ได้เพ่งมาที่จุดใดจุดหนึ่งคือมันเห็นแบบเหมือนกับเราเห็นคนอื่นอ่ะเวลาเห็นคนอื่นเห็นไหมมันเห็นแบบรวมๆเนาะเห็นไม่ได้ไม่ใช่ว่าเห็นเฉพาะตาเฉพาะหัวแต่มันเห็นแบบ แบบรวมๆอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเห็นตัวเองก็คือเห็นแบบรวมๆเห็นเห็นแบบรวมๆไม่ได้เพ่งไปที่โฟกัสอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็เห็นแบบแแบแวบๆไม่ใช่ว่าเห็นชัดนานมันเห็นเหมือนกับบางๆเบาๆวะทําให้ทนานเนาะเอ่อก็ต <c oughs> ่อยอดให้ในเมื่อถึง<ๆ>ขั้นนี้แล้วก็ต่อยอดอีกทีนี้เรามามองกันนะว่าไอ้ตัวเราที่ถูกเห็นที่ที่โยมว่าเออตัวเราเป็นสิ่งถูกเห็นเนาะที่นั่งอยู่เนไอ้ตัวเนี้ยคือตัวสังขารเนาะ แล้วก็สังขารเนี่ยมันเกิดมาแล้วมันจะต้องเสื่อมสลายแตกตายแล้วเนี่ยมันจะต้องเสื่อมไปคือสุดท้ายไอ้ตัวเนี้ยไม่มีหายหมดเลยนึกออกใช่ไ้มเวลาไปฝวังก็ดีไปเผาก็ดีสุดท้ายหาร่างไม่เจอแล้วอันเนี้ไอ้ตัวเราที่นั่งเมื่อกี้เนี่ยตัวเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสังขารแล้วก็มีแล้วหมดไปส่วนไอ้ตัวที่มารู้ตัวเราไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นก็เรียกว่ามันไม่ใช่สังขารนะมันเป็นวิสังขารคือไปจากตัวเราแล้วเพราะมันคนละตัวกันแต่ อธรรมชาติที่ร ar ู้ตัวเรามันไม่มีตัวนะมันมีแต่การรู้เฉยๆแต่มันไม่มีตัวไอ้ตัวเนี้ยเป็นตัวที่ไม่ทุกขเป็นตัวที่ไม่สุขคือเป็นตัวที่พ้นจากทุกขเป็นตัวที่พ้นจากสังขารปรุงแต่งไอ้ตัวนี้แหละเป็นตัวที่ที่พระพุทธเจ้าไปพบมาว่าคือตัวที่ไม่ทุกขนั่นเองมันไม่มีตัวจะทุกไงครับแต่มันได้แต่รู้มันได้แต่มันได้แต่รู้ทุก เพราะฉะนั้นเนี่ยพ้นทุกข์ก็คือแบบนี้เองพ้นทุกข์ก็คือแค่รู้ตัวเราโดยมีปัญญาเนี่ยสามารถแยกได้ว่าไอ้ตัวเราคือสังขารแต่อาธรรมชาติรู้ซึ่งเป็นตัวที่พ้นทุกข์มันได้แต่รู้แต่มันไม่อาจจะถูกทําลายไม่อาจจะแก่ไม่อาจจะเจ็บได้เพราะมันไม่มีตัวไม่มีตัวจะแก่ไม่มีตัวจะเจ็บแล้วไม่มีตัวจะตายเพราะมันไม่ปรากฏไงมันได้แต่รู้เฉย ถ้าเห็นแจ้งอย่างเนี้ยอมจะเข้าใจแล้วว่าอ๋อไอความไม่ทุกข์มันอยู่ที่ไอตัวนี้เองไอตัวรู้เออแต่ตัวเราเนี่ยที่พยายามปฏิบัติธรรมเกือบตายถุดท้าย <c oughs> มันเป็นตัวทุกข์เสียเองนี่ใช่ไหม <c oughs> เออ <c oughs> เพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่เข้าใจตรงนี้นะปฏิบัตินานกี่ปีกี่ชาติไม่มีวันทนทุกข์เพราะว่าไม่รู้จักไอธรรมชาติที่มันไม่ทุกข์ไงแล้วก็ไม่ต้องหาที่ไหนแล้วเพราะธรรมชาติรู้ตัวเราเนี่ย คือมันรู้เราไงเราไปหาเขาก็ไม่เจอพ่อเราเนี่ยคือเป็นตัวทุกข์ไปหาตัวไม่ทุกข์ไม่เจอแต่ว่ามีปัญญาพอเข้าใจได้ว่าไอ้ตัวที่รู้เราเนี่ยแหละมันไม่ทุกข์เพราะว่ามันมันมันไม่มีตัวมันไม่ปรากฏตัวมันมันทุกข์ได้ยังไงเนี่ยมันจะเข้าใจได้เพราะฉะนั้นพบแล้วไอ้ความไม่ทุกข์คือไอ้ตัวรู้นั่นเองไอ้ตัวรู้ที่ไม่ปรากฏตัวแล้วเลยย้อนไปตรงนั้นที่ที่หนูถามหงพ่อเมื่อกี้หนูก็เลยอ๋อเพราะว่าเรา คือพอพอสภาว่าเกิดแล้วก็คือเหมือนรู้เลยว่าเป็นสังขารสังขารก็คือรู้รู้ซื่อซื่อรู้ไปอย่างนั้นเลยเออนี่ยค่ะทีนี้ที่หลวงพ่อพูดอย่างนี้ก็คือว่าให้เข้าใจในเบื้องต้นก่อนแล้วทีนี้ต่อมานะไั น, นๆก็ต่อยอดไปเรื่อยๆหลวงพ่อจะเอาเรื่องอาการที่เกิดขึ้นในใจนะในใจเช่นคือคนส่วนใหญ่เวลาเขาพูดเขาบอกว่า เออจะทุกข์จะสุขมันก็อยู่ที่ใจใช่ไหมเคยพูดกัน<ม>บ่อยๆใช่ไหมค่ะเ อ, อนานรกสวรรค์ก็อยู่ที่ใจนิพพานก็อยู่ที่ใจหลวงพ่อจะอธิบายแบบนี้คาว่าใจนะคำว่าใจเนี่ยก็คือหมายถึงนี่แหละธรรมชาติรู้นี่แหละใจใจกับธรรมชาติรู้คือสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจริงๆมันไม่ปรากฏตัวใจนะมันแต่มันมีความรู้รู้อะไรรู้สิ่งที่เกิดในใจเช่นเวลาเกิดมีความทุกข์ แต่แม้มันเกิดในใจนี่เกิดที่ใจใจก็รู้เวลามีความไม่สบายใจมีความไม่สบายอะเนาะมีความอึดอัดมีความคับแค้นไอ้เรื่อนี้ก็อยู่ที่ใจแล้วใจก็ไปรู้แล้วก็อาการที่โล่งโปร่งเบาสบายใจอะที่แบบโอ้ยเบาใจสบายใจอาการนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดในใจแต่มันก็ไม่ใช่ใจใจไปรู้เข้าว่ามันโล่งมันโปร่งมันเบาสบาย ถ้าแยกได้อย่างเนี้ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อทุกอย่างที่เกิดในใจมันไม่ใช่ใจแต่ใจเป็นความไม่เกิดเป็นความไม่ปรากฏได้แต่รู้นี่ก่อนไหมเพราะฉะนั้นแหละไอ้ที่มันไม่ทุกข์ก็คือใจนั่นแหละแต่ใจมันไม่ไม่มีตัวนะเพียงแต่เราตั้งชื่อเรียกว่าใจแต่จริงๆไงมันแล้วแต่จะเรียกพุท ธ, ธะก็ได้จะเรียกว่าจิตเดิมแท้จิตตั้งเดิมก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งนี้ถ้าเราเคยได้ยิน มันเรื่องแบบนี้เองเลยเนี้ยเพราะนั้นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ใจแต่ใจเนี่ยมันไม่มีการเกิดไม่มีการปรากฏไม่อาจจะถูกทําลายได้ได้แต่รู้ <S <S <ค>พอเป็นแค่นี้เสร็จแล้วมันก็แยกเป็นดิเวลาอะไรเกิดขึ้นในใจเออก็แค่สังขารเกิดดับแต่ใจอมันไม่เคยทุกข์มันไม่เคยเกิดมันไม่เคยดับแต่มันได้แต่รู้เพราะงั้นก็รู้สจะพฤติจะพึ่งไงเพราะใจมันมีอยู่แล้วเนี่ยมีแบบไม่มีตัวธรรมชาติมันมีอยู่แล้วธรรมชาติใจเนาะ ก็เกิดมาเห็นไหมมันรู้ทุกเรื่องไงเวลาไม่สบายใจรู้ได้ไหมได้รู้รู้รู้แต่ไม่เข้าไปยึดคือเข้าใจรู้ไงมันเพราะว่าใจเนี่ยมันยึดใครไม่ได้มันได้แต่รู้แต่ถ้ายึดเมื่อไหร่ะการยึดเป็นสังขารนะอือแล้วใจรู้นะว่ายึดแล้วอแต่ใจเนี่ยมันทั้งไม่ยึดไม่ได้คือใจเนี่ยได้แต่รู้อย่างเดียวคุณสมบัติของมันอ่าทีนี้ถ้าเข้าใจเรื่องใจแล้วนะก็จะรู้เลยว่าโอไอความไม่ทุก คือใจนี่เองนิพพานคือใจนี่เองส่วนอื่นๆที่มันเกิดขึ้นในใจอันนั้นเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดดับเกิดดับก็ไม่ว่ามันเพราะมันเป็นธรรมชาติแม่เราถ้ายังไม่ตายนะจใจใจมีแต่ความเบาว่างมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันจะต้องมีอาการอย่างนู้นบ้างมีความเพราะฉะ น, นั้นใจก็ได้แต่รู้ซื่ออะไรเกิดขึ้นก็ใจรู้ทุกมาแล้วก็รู้ ทุกข์ับแล้วก็รู้สบายใจมาแล้วก็รู้โกรธแล้วก็รู้โมโหลแล้วก็รู้อึด อ, อัดแล้วก็โอ้โหรู้จะพุทธะพูดมั้ยเนี่ย จ, จะชัดเจนนะอย่างนี้เนะาะค่ะชัดเจนค่ะกาสรสาธุค่ะการนอนทนทุกข์เลยแล้วก็ไม่ต้องไปห่วงอดีตแล้วก็เมื่อปัจจุบันไม่ทุกขนะ์สิเพราะว่าปัจจุบันไม่ทุกข์นั่นเพาวไม่ทุกนี่ยมันเป็นมตมัมาตั้งแต่ไหนแต่ไรไปแล้ว ว่าทุกบ้างสุขบ้างเนี่ยไอ้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็ น, นคือแค่รู้มันว่ามันเป็นสังขารเพื่แค่นี้ ใ, น ใ, นใจก็พ้นกับไอ้สิ่งที่ปรากฏนั่นแหละอพ้นทุกในปัจจุบันบก็คือพ้นเลยอะไรทเกิดขึ้นก็รู้แล้ววอาไม่ใช่ใจแล้วก็ใจเนี่ยมันรู้ทะลุออกมาทางทางตาทางหูทางจมูกรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งสิ่งที่ใจรู้ทั้งหมดอันนั้นไม่ใช่ใจใจได้แต่รู้เห็นไหมแค่นี้เองครับอสิ่งของพ่อขาดขาดไหนหายครับสิ่งของพ่ครับ เออไม่รู้จะแก้ไงเพราะว่าแค่นี้แหละ <c oughs> เออจริงๆเราก็บันทึกเสียงว่าถ้ามันคงขาดหายด้วยเหมือนกันนะนะเพราะว่าใช่ครับมัน <c oughs> หายไป <c oughs> ช, ช่วงๆหวงพ่อครับ <c oughs> ไม่ได้ยินนะฮะอ่ะมองเป็นว่ามันไม่เที่ยงกันแล้วกันนะ <c oughs> อ่าเสียงก็ยังไม่เที่ยงเลยความชัดก็ไม่เที่ยงความไม่ชัดก็ไม่เที่ยง <c oughs> แต่รู้ได้นะว่ามันเออมันไม่เที่ยงเห็นไหมใจรู้หมดเลยเนี่ย <Yeah. S 1> มองเป็นธรรมะให้หมดเลยเห็นไหมแค่นี้ก็ไม่ทุกอะไรทุกอย่างเป็นธรรมะเป็นสังขารเป็นโอเค่นี้แหละ คือง่ายมากเลยปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่ารู้จักแล้วว่าทุกอย่างเป็นสังขารสังขารไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นชัดบ้างไม่ชัดบ้างโหมันแสดงธรรมไม่ดูไงอเอองั้นผมขอคุยต่อจากที่ถามไว้นะฮ ะ, ะเดี๋ยวถาม น, นิดหลวงพ่อาถาม น, นิดหนึ่ง <พอ S 1> ไม่รู้เข้ามาตอนไหนนะ<พ>อตอนสักกี่นาทีได้แล้วไม่รู้เออผมเข้ามาได้สักสักประมาณสักห้านาทีเองอ่ะอ๋อคงได้ฟังพอสมควรแล้วทั้งนั้นเนาะอ่าโอคคุยเรื่องสังขารสังขารสังขาร ก่อนก่อนต้นรายการเนี่ยคุยกันหมดแล้วว่าทุกอย่างที่มีที่ปรากฏขึ้นนะที่มีที่ปรากฏขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าสังขารทั้งหมดแล้วสังขารเนี่ยเนะมื่อมีเมื่อเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อปรากฏแล้วเนี่ยสังขารเนี้ยจะต้องดับไปนะดับไปเป็นธรรมดาเป็นกฎตายตัวของมันเลยไม่มีสังขารไหนที่เกิดแล้วมาเที่ยงโดแล้วก็หมายถึงว่าเที่ยงอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีแบบนั้นขึ้นเชื่อว่าสังขารมีแล้วต้องหมดไปมีแล้วต้องหมดไปกฎตายตัวแน่นอน แล้วก็เมื่อรู้จักแล้วว่าทุกอย่างที่มันมีมันปรากฏขึ้นเนี่ยนั่นทั้งสังขารทั้งหมดถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยต่อไปมันก็จะง่ายในการปฏิบัติก็หมายถึงว่าเช่นเวลาปฏิบัติเนาะมันมีมันมีความคิดคลุ้งซ่านความคิดคุ้งซ่านก็เป็นสังขารหรือต่อมามันเป็นความสงบความสงบก็เป็นสิ่งที่ปรากฏก็เป็นสังขารนะและ้วก็เป็นสุขอ่าสมมติมีปฏิบัติแล้วมีอาการรู้สึกสุขเป็นปิติอ่าพวกนี้ก็เป็นสังขารนะ หรือรู้สึกว่าว่างโล่งโปร่งเบาสบายอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏก็เป็นสังขารขึ้นชื่อว่าสังขารมันไม่เที่ยงและมันต้องหมดไปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหลงยินดีกับสิ่งที่ถูกใจ <S <S เช่นเวลาโล่งโปร่งเบาสบายว่างๆถูกใจอันนี้หลงอีกแล้วเพราะฉะนั้นเพียงแค่รู้พอว่าอาการนั้นมันกำลังมีอยู่ในปัจจุบันเพียงแค่รู้ตามความเป็นจริงนะ แค่รู้ตามความเพราะมันรู้ได้อยู่แล้วอ่ะโดยหลักอ่ะมันต้องรู้ได้อยู่แล้วโล่งโปร่งเบาก็รู้ได้คิดฟรุงสร้านก็รู้ได้มีความทุกข์ก็รู้ได้มีความสุขก็รู้ได้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหมดมันเป็นสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นเลยรวมถึงไอ้รู้ที่มันรู้แต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยไอ้นี้ก็เป็นสังขารเพราะว่ามันดับไปพร้อมๆกับสิ่งถูกรู้อ่าแล้วก็อให้เข้าใจไว้แค่นี้ก่อนว่าเอออะไรก็ตามที่มันปรากฏขึ้น สิ่งที่ปรากฏนั้นจะต้องดับไปหายไปแน่นอนธรรมะเนี่ยมันก็ลําบากตรงนี้แหละพอบอกให้ไปทําอะไรนะมันก็จะเอาตัวเราไปทำไงเรื่องเลยนะบอกเช่นว่า อ, อ๋อไปไปดูจิตอย่างของโยมเนาะคือเวลาเป็นภาษาพูดไงคือมันต้องพูดอย่างนี้คือถูกแล้วบอกว่าเออเวลาเวลาดูจิตนะมันก็จะเห็นอาการเกิดดับในจิตเนาะนเกิดดับความคิดก็ดีความรู้สึกก็ดีแล้วมันยุกยิบยกยิบยุยิบกยิบไปหมดเลยนะแต่ถ้าถ้ารู้แบบถ้ามันรู้แบบ อที่มันรู้เองโดยที่ว่าเราไม่ได้เพง่งเราไม่ได้จ้องเนี่ยมันก็จะเห็นธรรมชาติอย่างอย่างอย่างที่มันเป็นจริงแต่พอบอกว่าให้ไปทําให้ไปดูปั๊บเนี่ยมันเอาตัวเราไปจ้องไปดูไปเพ่งแล้วก็ไม่เห็นไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวที่ไปกระทําอ่อมตัวจ้องตัวเพ่งเนี่ยมันไม่เห็นตัวนี้ก็กลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นผู้ดูเป็นผู้จ้องเป็นผู้สังเกตมันบังหมดเลยอ่ะเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นภาษาแล้วมันยากในการสื่อสารมากเลยอะ แต่ว่าก็เลยคือเข้าใจไงเนาะเราเมื่อก่อนเราก็ติดภาษานี่แหละก็บอกให้ไปดูจิตให้ไปดูกายขึ้นเลยมันเอาตัวเราไปดูหมดเลยแต่พอเมื่อเราปฏิบัติมากๆเรารู้ว่าการดูการรู้การเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เราไปดูแต่มันรู้เรารู้เราตรงไหนรู้เราตรงที่เรามีพฤติกรรมแห่งการกระทําเช่นเราจงใจเราเจตนาเราเพ่งเราจ้องมันรู้เราหมดเลยจึงรู้จักว่าอ๋อไอธรรมชาติเรียกว่ายานก็ ดีเป็นหรือวธรรมชาติบริสุทธิ์ก็ดีมันมันไม่ใช่เราอ่ะแต่มันเป็นการรู้เราอีกทีหนึ่งว่าเราเนี่ยปรุงแต่งมีพฤติกรรมแบบไหนยังไงจึงได้เข้าใจชัดเลยตรงเนี้ยเนี่ยที่ทุกวันเนี่ยที่มามาคุยมาพูดคุยเรื่องธรรมะเนี่ยว่าคําพูดของเราเนี่ยผู้สอนเนี่ยคือมันเลี่ยงไม่ได้ไงมันต้องใช้สมสมมติบัญญัติเนาะมันจําเป็นต้องพูดแต่พอพูดเสร็จแล้วเนี่ยมันไปปฏิบัติผิดไงเนี่ยตรงเนี้ย ก็เลยมันยากแต่ว่าอาศัยเนี่ยอาศัยก็เรียกว่าอาศัยการ l a y a นิมิตอาศัยผู้มีประสบการณ์เนี่ยที่มาคอยแลกเปลี่ยนมาคอยคอยชี้แนะคอยบอกแล้วมันก็ค่อยๆเอ่อค่อยๆพินาค่อยๆอะไรได้ทีนี้เอาอย่างสมมติที่ของโยมไอ้กี้เนาะเนี่ยให้โยมโยมเทียนลองทําดูก็ได้แต่อย่างน้อยพอบอกให้ลองปั๊บเนี่ยมันจะมีตัวเราร้อยเปอร์เซ็นเป็นผู้มีพฤติกรรมและทีนี้ถ้าเห็นในตัวเราที่มีพฤติกรรมอย่างนั้นเนี่ยตรงนี้คือเรียกว่าเห็น เห็นเห็นไอตัวที่มันปรุงแต่งนะ <sm or land> ไม่จําเป็นต้องไปเห็นไอตัวนู้นก็ได้เอาเห็นไอตัวเราที่มันกําลังกำํำปรั บ, บแต่งแต่งที่จะดูอาการในจิตอะให้เห็นตัวเนี้ยแล้วจะต่อไปจะเข้าใจเลยว่าอ๋อที่แท้เนี่ยเนาะไอตัวเจตนาไอตัวจงใจไอตัวตั้งใจตัวนี้แหละที่มัน Heath <sm or land> มันไปบังทําให้ไม่เห็นความจริงอ่าโอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมทางนั้นเนาะ <S <S <S ยนเทียนเข้าใจแล้วเนาะ น่าจะเข้าใจนะเออโอเคถ้าเข้าใจแล้วก็เดี๋ยวให้ให้คนอื่นได้มีโอกาสได้ได้แสดงได้คุยด้วยเนอะเพราะว่าตอนเนี้ยเราคุยกันเรื่องของสังขารให้รู้จักสังขารให้รอบรู้ในกองสังขารที่กําลังปรากฏเพราะการรอบรู้ในกองสังขารนี่แหละเท่ากับว่ามันจะพ้นจากสังขารได้พ้นได้เพราะรู้แต่ถ้าสังขารปรากฏแล้วไม่รู้เนี่ยอย่างเนี้ยที่เขาเรียกว่าเป็นอวิชาคือปรุงแต่งแล้วปรุงแต่งนู่นเป็นนี่แล้วก็ไม่รู้เนี่ยมันเป็นอวิชาเพราะฉะนั้น เพื่อให้เป็นวิชาก็คือรู้เดี๋ยวนี้ตอนนี้ขณะปัจจุบันเดี๋ยวนี้ที่คุยธรรมทั้งหมดเนี่ยที่เน้นมากที่สุดคือรู้ในปัจจุบันโดยเฉพาะรู้สังขารรู้ขันห้าเนี่ยที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยกําลังพูดกําลังคิดกําลังมีความรู้สึกประการใดก็แล้วแต่นะไม่ได้ห้ามสังขารไม่ได้หยุดสังขารเพียงแต่รู้การปรากฏขึ้นนะเมื่อรู้ถึงการปรากฏขึ้นเนี่ยก็สามารถรู้ถึงการเสื่อมไปการดับไป แล้วก็จะเข้าใจเลยว่าสังขารเนี่ยมันไม่ใช่ตัวตนมันไม่ใช่เรามันเป็นแค่สังขารเกิดแล้วก็ดับไปเพราะฉะนั้นมันจะแจ้งในเรื่องของความเป็นอนัตตาว่าจริงๆอัตตาตัวตนเนี่ยมันไม่ได้มีหรอกแต่มันมีตอนที่ไม่รู้แค่นั้นแหละเขาเรียกว่าเผลอหรือว่าหลงไปหลงไปเป็นสังขารหลงไปยึดสังขารถ้ารู้แจ้งในกองสังขารเนี่ยมันแจ้งแทงตลอดเลยว่าโอ้โหไม่มีตัวตนเลยไม่มีคนไม่มีสัตว์เลยมีแต่สังขารเท่านั้น ให้มันคมชัดในปัจจุบันตรงนี้แหละเราไม่ต้องไปนั่งทําสมาธิไปนั่งเอาความสงบก่อนรู้แจ้งในปัจจุบันเพราะความสงบขณะที่มีสติมีตอนนี้มันก็เป็นมีสมาธิอยู่ในตัวอัตโนมัติอยู่แล้วเพราะฉนั้นมันเป็นรูปแบบบางทีพอไปทําสมาธิแล้วปรากฏว่าไปแช่ไปจมแล้วไม่ได้พิจารณาอะไรเลยไปอยู่กับความความสุขแล้วก็สบายติดแช่อ ย, อยู่นั้นน่ะอันนั้นอ่ะมันก็เป็นแค่ฤาษีเท่านั้นเอง ส่วนจะเป็นพุทธะจะเป็นปัญญาี่ยมันจะไม่เกิดเพราะนั้นปัญญาจะต้องตื่นรู้จะต้องไม่คือตื่นรู้คือทําให้เกิดการรับรู้อ่ะรู้ทั่วพร้อมรู้ทั่วถึงอะไรที่มันเกิดขึ้นในตัวเนี่ยรับรู้รับรู้นะรับรู้แล้วก็จะเห็นความจริง น, นั่นแหละมันเป็นสัจธรรมคือความจริงก็คือที่มีการเกิดดับนั่นแหละ น, ะนั่น ค, คือสัจธรรมแต่เป็นสัจธรรมข่ายปรุงแต่งนะแต่มันมีสัจธรรมที่สัจธรรมแท้อีกขั้นหนึ่งก็คือความไม่ปรุงแต่ง แต่ยังไงก็ต้องรู้จักสิ่งที่ปรุงแต่งก่อนนะแล้วถึงจะรู้จักทําที่ไม่ปรุงแต่งนี่คือมันเป็นสุดยอดมันสุดยอดอยู่ที่ตรงนี้แหละตาราต่างๆนี่มันช่วยไม่ได้มันเป็นแค่ช่วยอ่านอ่านมาเป็นแผนที่มาปฏิบัติแต่พอปฏิบัตินี่ต้องทิ้งตาราเลยเพราะของจริงมันอยู่ที่ปรากฏในกายในใจโดยเฉพาะในจิตใจนั่นแหละทุกอย่างรวมลงที่นั่นหมดเลยความสุขความทุกข์ความสบายไม่สบายความโล่งความโปร่งความเบาสบายมันปรากฏที่ใจ แล้วใจนั่นแหละเป็นผู้รู้เสียเองนะอะไรปรากฏขึ้นในใจใจนั่นแหละเป็นผู้รู้แต่ใจไม่ได้เป็นสิ่งที่ปรากฏใจเป็นสิ่งเป็นเป็นธาตรู้อ่าเป็นธรรมชาติรู้ไม่อาจจะถูกทําลายนะไม่อาจจะเป็นประการใดได้เพราะใจเนี่ยมันเป็นความไม่ปรากฏสิ่งใดปรากฏอันนั้นไม่ใช่ใจสิ่งใดปรากฏไม่ใช่ใจแต่ใจได้แต่รู้สิ่งที่ปรากฏนะเพราะฉะนั้นใจนี่แหละคือสภาพธรรมะที่ พ้นจากความปรุงแต่งนะใจได้แต่รู้ใจจึงไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขไม่ได้เฉยเฉยไม่ได้ยิ่งยิ่งใจไม่อาจจะถูกทําลายคือใจนี่แหละคือใจแท้แต่ถ้าเข้าใจอย่างนี้แหละนี่แหละมันก็จะพ้นทุกข์ได้เพราะใจนั่นแหละคือความไม่ทุกข์ไม่ต้องไปหาที่ไหนใจนั่นแหละคือความไม่ทุกข์แต่ความทุกข์ก็มีอยู่ในใจแต่ใจไม่ได้เป็นทุกข์ด้วยใจได้แต่รู้แจ้งในเรื่องทุกข์ นั่นแหละทุกที่มันเป็นสัจจ์อริยสัจอะเป็นสัจจจริงมีอยู่เกิดดับในใจแต่ใจเป็นผู้รู้แจ้งอรู้แจ้งแล้วก็ไม่ได้ยึดถืออะไรได้แต่รู้แจ้งนั่นแหะแจ้งรู้รู้รูเรียกว่ารู้ด้วยใจคุยไปมันก็มีสภาวะให้ดูนะเห็นไหมเราคุยก็ซึ่งเราอยู่ในในสังคมปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ท้องไหนมันก็จะมีอาการนะอาการทางกายอาการทางจิตเกิดขึ้น เหล่านี้เขาเรียกว่ามันเป็นอาการนะมันเป็นสิ่งเขาเรียกว่าเป็นสังขารนั่นแหละถ้ามันเกิดแล้วมันก็ต้องดับร้อยเอร์ซนโดยที่ว่าเราไม่ต้องไปทําให้มันเกิดและก็ไม่ต้องทําให้ให้มันดับเราก็จะทําให้เกิดปัญญาขึ้นมาว่า อ, อ๋อสังขารเกิดแล้วก็ต้องดับเนี่ยตรงกับหัวข้อที่หลวงพ่อตั้งเอาไว้อะนะส่วนอะไรที่มารู้สังขารมันก็ต้องมีแน่นอนมีธรรมชาติที่มารู้สังขารแล้วมันก็คงไม่เห็นหรอกว่าสังขารมีการเกิดมีการดับ ไอ้ธรรมชาติที่รู้อันนั้นแหละเป็นธรรมชาติที่รู้แจ้งรู้แจ้งถึงการเกิดรู้แจ้งถึงการดับแล้วมันก็รู้จักตัวเองอย่างที่โยมว่าเลยมันรู้จักว่ามันอ่ะไม่เกิดไม่ดับแต่มันก็ไม่ได้พูดอะไรอันนี้เราพูดเพื่อทําความเข้าใจกันเพราะฉะนั้นไอ้ธรรมชาติที่เกิดดับก็มีอยู่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่เป็นของคู่กันแบบนี้เพียงแต่ว่าเออธรรมชาติเนี้ยเป็นธรรมชาติที่มีอยู่พระพุทธเจ้าเนี่ยได้พบมาแล้วก็มาบอกพวกเรานี่แหละว่า อ, อธรรมชาติมันก็มีสองฝ่ายนะฝ่ายปรุงแต่งคือฝ่ายทุกข์ฝ่ายเกิดฝ่ายดับส่วนธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นฝ่ายที่ไม่เกิดไม่ดับก็เป็นเป็นวิสังขารไปเนี่ยมันก็มีเท่านี้เองเพราะฉะนั้นเนี่ยการทนทุกข์การอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ว่าคือปฏิบัติคือให้มันเห็นแจ้งแล้วก็เกิดปัญญาว่าเออจริงๆเนาะมีแต่สังขารเท่านั้นตัวตนก็เราไม่มีเมื่อเราไม่มีเนี่ยเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งว่าเราไม่มีมันก็เข้าใจว่า อ, อ๋อทุกอย่างที่ปรากฏขึ้นมันก็ไม่ใช่เรา มันจะทุกข์จะสุขก็ไม่ใช่เรามันจะเป็นอาการอย่างไรมันก็ไม่ใช่เราจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจมันก็ไม่ใช่เราจะเป็นยังไงมันก็ไม่ใช่เราที่พระพุทธเจ้าจะว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่เราเนี่ยท่านชี้ท่านยังอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจตรงเนี้ว่านั่นไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนี่ยมันก็จบแล้วเพราะเมื่อไม่มีเราแล้วเราจะไปหวังอะไรเราจะไปหวังนิพพานเหรอไม่มีถ้ายังหวังนิพพานนี่แสดงว่ามีเราอันนี้พูดถึงธรรมสูงสุดนะนิพพานก็คือเป็นสภาพธรรมะที่มีอยู่แล้ว นะไม่ต้องใครไปไปจัดการหรอกเป็นธรรมชาติที่ไม่ทุกมันมีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งก็มีอยู่แล้วเพียงแต่ให้พบมันแค่นั้นเองว่ามันมีอยู่แล้วก็ความความเข้าใจผิดต่างๆที่เคยเข้าใจว่ามีเร า, ม, เรามีเราเนี้ยถูกทำลายหมดสิ้นแล้วมันก็เท่ากับว่าดับก็ที่พูดมาทั้งหมดเนาะเป็นการแค่บอกกล่าวนะบอกกล่าวบอกแผนที่หรือบอกหนทางนะ โดยเฉพาะหนทางของความพ้นทุกข์เนี่ยก็คือต้องรู้สึกตัวถ้าหลงตัวเมื่อไหรมันก็ไม่รู้จักทุกเมอไม่รู้เมื่อ ไ, ไ, ไ, ไ, ไม่รู้จักทุกมันก็ข้ามพ้นทุกข์ไม่ได้เพราะฉะนั้นรู้สึกตัวก็เพื่อให้เห็นทุกเมื่อรู้จักทุกแล้วก็จะไม่หลงติดไม่หลงยึดในทุกก็เป็นความพ้นไปจากทุกนะก็ฝากไว้เพื่อไปพิจารณากัน